เสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพลิ้งนำจิตจากเอเวจีมืดจัดท่านเอยสุขสว่างสลายทุกทิ้งสนอแท้เสียงธรรม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 ทวงติง่งก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้ยาวกว่าบ้างมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแต่เก่าก่อนก็ร่อยหลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้น เขาต้องเสวยกรรมอันธารุณแสบเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อ น, นั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่ว ที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่ดีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปลไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพานเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผาพันแห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่า ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิน้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉังเดียวกันเมื่อการรชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่าง คุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้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 แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้ศติละของตนไว้นําไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาบเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาด ไม่ยอมหวานพันุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทําแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลภัศาลการรวบรวมซัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณค่าแก่ตนอย่างไร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 ชื่อไมฮกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเรี่ยมที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมูนกเหล่าอื่นบินมากินผลเรี่ยมตามต้องการแล้วก็จากไปนกไมฮกะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีามดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโสมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงคลั่มครวญ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 แก่ไกลๆเลยรวมทั้งตัวเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวพรไให้เป็นสุขบำรุงสมณะพรหมนาจารย์ให้เป็นสุ ข, สาา เ, ปสขเปรียบเหมือนสะโบกกรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัย นำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมาก หรือนักมวยปร้าซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กําลังมาเขาก็ต้องออกกําลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลาย จงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้าตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกรปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกรปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้น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 ก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตรณีมีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ซับก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรณีเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสะไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ซับแล้ว พึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำไหลลงทีละหยดยังทำให้มอน้ำเต็มได้การสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมร้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปรไปด้วยบาปอา น, นิจจาชีวิตธาตุช่างลำบากและกังวลเสียมิกระไรรับใช้ใกล้คิดเกินไป ก็หาว่าประจบสอพอห่างเหินไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชโหกฮกฮากใครเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาาเป็นชีวิตที่ลำเค็ญเหนื่อยยากทาั้งๆที่เป็นอย่างนี้คนทาาส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกะตัญญู เสรีชนด้วยซ้ำไปส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสําหรับธาตุซึ่งซื่อสัตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สําหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อธาตุเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ธาตุไม่เป็นเวลา ใช้วาจาหวานล้อมให้ทาดหวังอย่างลมลมแรงแรงเหนียวบำเหน็จทำความผิดน้อยก็เป็นความผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึง อสดอ น, นั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะอดทนจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนมไมหมายความว่าสําเร็จเร็วดังใจส่วนลานั้น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 กล่าวถึงสัตว์อาชาในาหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยในยะนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาในาถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาันาด้วยกันบุรุษอาชาในาหรือคนอาชาในประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่า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 และมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่มิไดหลับย่อมรู้สึกว่า ราตีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อล้าแล้วรู้สึกว่าโยอหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้ภาษาธรรม ย, ยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสังสารวัตรนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อย และการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคล่างครวนความทุกข์กายทุกข์ใจและความขับแขนใจอุปมาเหมือนเหตุ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 เกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าวบัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธี คือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานคชจสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคา แม้เข้าสู่เบ้าสุขก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนผานยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิตมีลักษณะตรงกันข้ามยิ่งประสบทุกข์ยิ่งเห็นธรรมและเมื่อประสบความสุขมีลาบสันเสริญก็ยิ่งจะได้โอกาสประพฤติทธรรมมากขึ้น สัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายตั้งปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดจนอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ชีวิตมีค่าสูงสุดผู้ที่เรา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 เราก็เอามันไปด้วยไม่ได้จำต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้สอยแม้เมื่อคนอื่นนั้นตายเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นอีกถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราเกิดมาเราก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จำเป็นจะใช้ก็ส่งคืนแก่โลกเท่านั้นเองฉะนั้น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 ขัดเคืองรุ่มหลงและมัวเมานั่นเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนะตนเองการชนะตนเองนี้เป็นสิ่งที่ชนะได้ยากชนะคนอื่นง่ายกว่าคนที่ชนะตัวเองจึงมีน้อยแต่ใครสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่กลับแพ้อีกเราเรียกว่าเป็นยอดนักรบในสงครามสงครามชีวิต ซึ่งยืดเยื้อยืนนานที่สุดกว่าสงครามใดๆถ้าบุคคลสามารถได้สิ่งที่ตนประสงค์ด้วยกิดง่ายๆเพียงแต่บูชาเพลิง ขวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ยากจนแรงแค้นใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอากพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไว้ว่าหากใครสักคนหนึ่งกระโจนลงไปในกรองเพลิงเพื่อนําเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าคนนั้นก็ต้องตายเปล่าเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุถึงจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเองต้นเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆ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 คนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ชันใดในโรคสันดิวาตอันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างขวาง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 ดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้นแต่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักจะย่างเข้าสู่วัยชาราจนทําอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทําอะไรอะไรได้ดีกว่านี้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 ต่างอาศัยกันและกันด้วยการบำเหน็จประโยชน์ให้แก่กันไม่เอาเปรียบกันและว่างตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนดูก่อนท่านผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้ควรศึกษาให้เข้าใจควรลองปฏิบัติแสวงหาความสุขอย่างไม่อิงอาศัยอามิสเป็นพื้นฐานของจิตใจไว้บ้างเพื่อจะได้ถอนตนออกมาได้โดยง่ายเมื่อความสุขชนิดที่ต้องอาศัย อิงอามิสกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลัง้งหรือเพราะสวยสุขนั้นมากเกินไปอีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้น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 จึงเหมือนสุขของขอทานมีการสแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีการสแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าสงบเยือกเย็ยนและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระ อยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพลเงื้อมือแห่งมาร